ททานทอสเวินแห่งปลากาละครั้งหนึ่งในอนเนจักที่ห่างไกลยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่าราฟราฟเป็นชายหนุ่มที่แสนดีแต่เขาก็ช่างโชคร้ายอยู่เสมอเขาต้องพยายามหาเงินอย่างหนักเพื่อใช้จ่ายสำหรับเขาและภรรยาแต่ก็ต้องดิ้นรนอยู่เสมอเขาต้องรับแจ้งออกไปทำงานแปลกๆให้กับคนในหมู่บ้านซาดินา วันหนึ่งราฟเอาไปตกปลาเพื่อหวังว่าจะจับปลาไปขายในตลาดเพื่อปากท้องของเขาและภรรยาแต่หลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงที่เขานั่งแล้วเหวี่ยงเบ็ดราฟจับได้เพียงเศษขยะที่ลอยอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรตอดเบ็ดเลยข้าจะไปบอกกับภรรยาว่าอะไรดีล่ะทีนี้ เขากำลังยอมแพ้และจะกลับบ้านตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงยคร่ำครวญที่น่าสงสารข้างหลังเขานั่นอะไรนะเขาหันกลับไปและพบคนแคที่มีเคราวยาวยกำลังติดอยู่กับรากของต้นไม้เขาประหลาดใจมากที่เห็นคนแคทและไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงช่วยโทนี่ด้วยคราของโทนี่ติดอยู่กับรากไม้อ่ะได้สิแต่ไหนโทนี่ล่ะนี่ไงโทนี่โทนี่เนี่ยเป็นคนแคทอ่ะโอ้ได้ เลยข้าช่วยเจ้าเองเขาคลายเคราของโทนี่ออกจากรากต้นไม้อย่างระวังเนื่องจากท่านช่วยข้าข้ามีบางอย่างตอบแทนท่านเมื่อพูดเสร็จเขาปลดก้อนหินที่เปล่งประกายจากกระเป๋าและมอบแด่ราฟจำไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงหมาป่าเห่าหอนอไม่นะหมาป่าข้าต้องหนีก่อนจนกว่าจะได้พบท่านอีกครั้งหนึ่ง แต่โทนี่จะไม่ว่าอะไรล้วราฟมองดูโทนี่วิ่งและหายไปหลังต้นไม้เขามองไปที่หินมันส่องประกายและมีสีม่วงมันอาจจะเป็นอั ญ, ญมณีถ้าจะขายมาในตลาดเอาละ่ะมาดูสิข้าจะจับปลาได้ไหมเขาใส่หินไว้ในกระเป๋าและนั่งตกปลาเขานั่งรอแล้วรอเล่าแต่ก็จับอะไรไม่ได้เลย เมื่อหมดหวังเขาร้องออกมาดังๆข้าหวังว่าข้าจะจับปลาตัวใหญ่ๆได้นะไม่นานหลังจากที่เขาพูดปลาตัวใหญ่ได้ขึ้นมาบนฝั่งมันนี่ขนาดใหญ่กว่าตัวของราฟข้าไม่เห็นปลาตัวใหญ่แบบนี้มาก่อนเลยข้าคงเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านได้ด้วยปลาตัวขนาดนี้ข้าจะมันกลับบ้านได้ยังไงกันเนี่ยราฟคิดกับตัวเองและในความปรารถนาที่เป็นไปไม่ได้ข้าหวังว่าปลาจะพาข้ากลับไปได้นะ และน่าเหลือเชื่อเจ้าปลาเคลื่อนไหวมันเลื่อนไปที่ใต้ขาของราฟแล้วเริ่มกระโดดไปยังพีซานิดาโดยมีราฟบนหลังเรากับกำลังควบมาราฟเดิมสงสัยว่าหินนั่นอาจเป็นของวิเศษเขาควบไปหมู่บ้านพาซาดินามีปราสาทที่สวยงามของราชาโมนาโกตั้งอยู่ทั้งหมู่บ้านเคยได้ยินข่าวลือ ม, มากมายเกี่ยวกับราชาโมนาโกและครอบครัวของเขา มีคนบอกว่าราชินีเป็นคนที่ร่าเริงและหัวเราะให้กับกำลังใจทุกที่ที่เธอไปราชารักเธอในแบบนั้นวันหนึ่งเมื่อราชินีเสด็จสวรรคตราชาโมนาโกเศร้าใจมากและสั่งให้งดเสียงหัวเราะทั้งหมดในปราสาทราชาโมนาโกมีลูกสาวคนหนึ่งนามว่าวิโอลาเมื่อเขาสั่งให้งดเสียงหัวเราะเจ้าหญิงวิโอลาก็หยุดหัวเราะเช่นกัน เธอเป็นคนสวยและสง่างามและเมื่อไร้เสียงหัวเราะเธอก็เหมือนกับไร้ชีวิตชีวาและโศกเศร้า <S <S เธอไม่ได้หัวเราะมาเป็นเวลานาน <S <S นั่นทําให้เธอไม่รู้วิธีที่จะหัวเราะอีกต่อไปไม่นานราชาโมนโกก็ตระหนักถึงความผิดพลาดของเขาและพยายามให้ลูกสาวของเขากลับมาหัวเราะนักแสดงตลกทั้งหมดในอาณาจักรที่ถูกเรียกมาแต่ก็ไม่มีใครทําให้เธอยิ้มได้ออกมา ในที่สุดเขาก็รวบรวมรัฐมนตรีและนักปราดมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานแต่งงานของลูกสาวเขาชายใดก็าตามที่สามารถทําให้ลูกสาวของข้าเจ้าหญิงวิโอลาหัวเราะได้จะได้รับเงิน50ล้านเหรียญและได้แต่งงานกับวิโอลาด้วยเหล่าชายต่างดีใจที่ได้ยินดังนั้นในขณะเดียวกันเจ้าหญิงวิโอลาก็เมิรลอยออกไปข้างนอกหน้าต่างเธอเห็นบาง <c oughs> อย่างที่แปลกประหลาด <c oughs> บนถนนเ <c oughs> มื่อมองแวบแรก มันเหมือนกับผู้ชายกำลังขี่ปลาตัวใหญ่ไม่นานก็พบว่ามันคือผู้ชายกำลังขี่อยู่บนปลายักษ์เจ้าหญิงวิโอลาขยี้ตามันเป็นสิ่งแปลกประหลาดและตลกที่สุดที่เธอเคยเห็นเธอหัวเราะออกมาอย่างดังและเสียงหัวเราะของเธอดังไปทั่วปราสาท ราชาโมนโกโที่อยู่ในท้องพระรองได้ยินเสียงหัวเราะของลูกสาวมั่นต้องเป็นวิโอลาในที่สุดก็มีคนทำให้ลูกสาวของข้าหัวเราะราชาลุกขึ้นและไปที่ห้องของเธอทันทีมีอะไรเงี้เหรอวิโอลาอะไรทำให้เจ้าตลกขนาดนั้นเหรอเธอจับท้องขณะที่กำลังหัวเราะและชี้ออกไปที่หน้าต่างเออเออท่านพอ่อข้าหยุดขําไม่ได้เลย คนประหลาดที่ควบปลาแทนม้าคนนั้นน่ะข้ารักเขาพ่อของเธอรีบไปที่หน้าต่างและมองเห็นราฟกำลังควบปลาตัวใหญ่เขาหัวเราะกับเบียอลาและความเพลื่อนปิติที่ได้เห็นลูกสาวของเขาหัวเราะเป็นครั้งแรกและหยุดลงเมื่อเขานึกถึงคําประกาศที่เขาได้ให้เอาไวัยเขารีบส่งคนของเขาไปเรียกคนแปลกหน้าท right> ี่ควบปลามาที่ประสาทโดยทันทีข้าต้องการพบ หล า, นนาฟถูกพามาเข้าพบพระราชาพวกเขาเรียกท่านว่าอะไรลัฟฟาบาดข้าอยู่ในหมู่บ้านพาศดีนาเจ้าทำอะไรนอกจากขี่ปลาและลัฟเออฟาบาดข้าจับปลาและบางครั้งเนี่ยก็นำปลาพวกนี้เนี่ยไปขายที่ตลาดเพื่ะค่ะโอ้ชาวบ้านธรรมดาข้าควรคํานึงผลที่ตามมา ในการตัดสินใจของข้าการตัดสินใจอะไรหรือฟลาบาทราชาโมนโกอธิบายทุกอย่างให้ราฟฟังราฟดีใจมากเจ้าทำไม่ข้าไม่มีทางเลือกเจ้าจะได้แต่งงานกับลูกสาวที่งดงามของข้าราฟยิ้มออกมาเพราะไม่เพียงแต่ราชาจะมอบเหรียญห้าสิบล้านเหรียญแด่เขาเขายังให้แต่งงานกับลูกสาวของเขาด้วยคืนนั้น ราชาโมนาโกเข้าไปพบกับวิโอลาและยืนยันกับเธอในคําประกาศของเขาโอ้เจ้าแน่ใจนะว่าจะแต่งงานกับเขาอ่ะไม่มีใครทําให้ข้ามีความสุขแบบนี้มาก่อนในชีวิตข้ามีสนว่าจะเป็นเจ้าชายราชาหรือว่าคุณนางที่ท่านหามาให้ต่อข้าข้าจะไม่แต่งกับใครนอกจากอัศวินแห่งปลาและท่านยังได้ประกาศเอาไว้แล้วว่าใครก็ตามที่ทําให้ข้าหัวเราะจะได้แต่งงานกับข้าอย่างไงล่ะ ไม่มีทางอื่นแล้วราชาโมนโกเชิญราฟเข้ามาเพื่อทานมือ้อค่าและค้างคืนราฟและวิโอลาตกลุมรักกันตั้งแต่แรกพบแต่ราชาโมนโกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะมื้อเย็นราชาตระหนักว่าราฟช่างแสนจะธรรมดาวิธีที่เขากินชุดที่เขาสวมใส่วิธีที่เขาพูดและมารายาทของเขาไม่มีการปรุงแต่งอย่างใดไม่มีความซับซ้อน นั่นทำให้เขาเป็นกังวลอย่างมากหลังจากอาหารเย็นเขาได้พบคุณนางที่ปรึกษาที่สนิทของเขานิวแมนข้าไม่สามารถกลับคำพูดของข้าได้แต่ข้าไปยออไม่ลูกสาวของข้าแต่งงานกับคนที่ถูกเรียกว่าอัศวินแห่งปลาดังนั้นข้าขอให้ท่านช่วยหยุดงานแต่งงานนี้ซะทำยังไงก็ได้ให้มันหยุดลงช่วยข้าด้วยนะนิว นิวแมนคิดอยู่พักหนึ่งและพยักหน้าราชาโมนาโกสบายใจขึ้นเพราะเขาคิดว่าขุนนางจะจัดการเรื่องนี้แต่เขาคิดไม่ถึงว่าวิธีที่นิวแมนตัดสินใจหยุดงานแต่งงานนี้ก็คือทำให้ราฟหายไปจากพัซดีนาคืนนั้นนิวแมนและทหารเข้าไปยังห้องที่ราฟกำลังหลับอยู่ทหารมัดเขาไว้และจับองไปในถังที่ปิดไว้แน่นก่อนจะพาเขางปนเคร ราฟตื่นขึ้นมาและวเมื่อเขาพบว่ากำลังจะจมน้ำเขานําหินขึ้นมาใช้ในทันทีข้าหวังว่าถังใบนี้คือเรือถังโตขึ้นเรือ่อยๆจนกระทั่งเป็นเรือขนาดใหญ่ข้าหวังว่าเรือลำนี้จะพาข้าไปยังพาซาดินาและหลังจากที่เขาคิดเรือก็ลอยขึ้นไปในอากาศและนำเขากลับมายัางบ้านด้วยใบหน้าที่มั่นใจของเขา วันรุ่งขึ้นเมื่อวิโอลาพบว่าราฟหายตัวไปวิโอลาเศร้าใจมากท่านพ่อชายคนเดียวที่ข้าตกลุมรักได้หายตัวไปได้โปรดค้นหาเขาด้วยข้าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาราชาโมนาโกรู้สึกละอายใจการค้นหาถูกเตรียมการขึ้นทันทีแต่ก็ไม่มีวี่แววของเขาตอนนี้ราชาโมนาโกรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวของเขาเจ้าทาอะไรลงไป เขาอยู่ที่ไหนจะต้องไปนําเขากลับมาฟ้าบาดข้าทำไม่ได้ข้าถังเขาไว้ในถังและโยนเขาลงไปในทะเลเจ้าทําอะไรลงไปผู้ได้ถูกก็คือข้ากําจัดเขาก็จะข้าไม่เคยขอให้ใครทําอะไรถึงขนาดนี้ข้าแค่คิดว่าเขาไม่เหมาะสมกับลูกสาวของข้าข้าไม่เคยคิดจะทําให้เขาเป็นอันตรายเลยนี่เจ้าทําอะไรลงไปเนี่ย ราชาโมนโกรู้สึกกังวลอย่างมากไม่ทราบว่ารับไม่ได้เป็นอะไร <_ d ata> เขาจึงรีบไปพบลูกสาวของเขาและสารภาพในขณะเดียวกันเรื่องของรับก็ได้เทียบท่า <_ D ata> เขารีบกลับมาหาเจ้าหญิงที่รักของเขาและบอกทุกอย่างให้เธอฟังราชาโมนโกที่เข้ามาสารภาพทุกอย่างกับลูกสาวได้ปล à ใจมากเมื่อพบว่ารับมีชีวิตอยู่ท่านพ่อ <_ d ata> มีบางคนไม่ต้องการให้ค้ากับรับแต่งงานกัน พวกมันโยนเขาลงไปในทะเลทั้งต้องหาให้พวบว่าใครเป็นผู้ทําเรื่องนะ่าอับอายเช่นนี้อย่าให้หนีไปได้เชียวนะราชาโมโนโกรู้สึกละอายใจเป็นอย่างมากเขาไม่สามารถเก็บมันไว้อีกต่อไปและเขาสารภาพทุกอย่างให้รับและวีโอลาฟังและขอให้เขาให้อภัยข้าให้อภัยท่านฟาบาตข้าแค่ต่อการบอกว่าข้ารักลูกสาวของท่านมากและต้องการแต่งงานกับเธอ นั่นคือทั้งหมดที่ข้าต้องการข้าอยบอกท่านเท่านี้ละราชาโมนโกประทับใจในตุกของราฟมากท่านอวยพรให้เขากับลูกสาวงานแต่งงานถูกจัดขึ้นในวันนั้นนิวแมนถูกเนรเทศออกจากอาณาจักรและราชาโมนโกในให้รับปกคอกอาณาจักรครึ่งหนึ่งขอพระทัยฟาบาดข้ามไม่ต้องการอาณาจักรของท่านหรือความร่ำรวยใดๆในโลกนี้และทันทีที่เขาพูด เขาพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในกระท่อมเล็กๆ เ, เขาหันหลังไปกลับไปพบกับภรรยาของเขานอนอยู่ข้างๆเป็นฝันที่ประหลาสดสุดๆที่เคยฝันเลยอะ